ของท่านอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโลแสดงที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนวันที่11เมษายน2509คณะคุณหม อ, อ่วยคนไข้คนไข้คือค่ามัญา นอกจากความห่างเหินยาแลว้วยังมีความสนใจกับสิ่งที่จะทำกรรมกับโลกให้ก่อนเป็นความลำบากคนไข้ที่ระหวั า, วางของแสลงและมีความสนใจกับยาตามมีร่ำเวลาที่กาแพทยตัก ก็มีวันจะหายวันหายคืนแต่ประเภทที่ไม่มองดูหมอไม่มองดูยาสิ่งใจที่ทอบใจไม่สนใจว่าจะเป็นของแสลงหรือไม่ดื่มลงไปรับทานลงไปนี้รู้สึกว่าจักเป็นที่หนักใจแกผู้รักษาและเป็นความทุกข์แา่คนไข้คนนั้นด้วย ใจที่มีความห่างเหินทำย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันคำวธาทมแปลกันอย่างง่ายง่ายก็คือความรู้สึกสำนึกตัวนี่เป็นหลักสำคัญการรู้สึกการสำนึกตัวย่อมจะทราบได้ทั้งทางถิกและผิดิั่งที่จะแสดงขึ้นมาภายในตัวเองไม่คอย แต่จะชอบใจไปตามความดำดึกความนึกคิดโดยถ่ยเดียวปู่มีความสำนึกตัวย่อมจะคิดไปถึงสิ่งที่ถูกหรือคือควรหรือไม่ควรแล้วก็มีการยักยังหรือการคล้อยตามไปตามจิตที่เห็นไม่ควรผลที่เกิดขึ้นก็ย่อมจะเป็นที่พอใจ มีแปลง่ายๆกับความสำเน็จตัวความรู้สึกตัวเป็นหลักสำคัญธรรมมักมีหลายประเภทประเภททั่วทั่วไปกรว่าจะนำไป้ายได้ทุกวัยสั้งถึงเด็กก็ได้อย่างนั้นก็มีเพราะนั้นเวลาเราสอนเด็ก เราก็ต้องเอาธรรมะที่พอเหมาะพอดีกับเด็กงั้นเด็กจบวันเข้าใจทั้งจะปฏิบัติไดน้นอกจากเด็กจะต้องสนใจเท่านั้นเรีนเราสอนเด็กในบ้านของเราเราก็สอนให้พอเหมาะพอดีกับหน้านที่การงานของเด็กอายุย่ความประพฤติของเด็กการศึกษาเล่าเรียนของเด็กให้พอเหมาะพอดีกับภาวะของเด็กคือมันนั้น เมื่อเด็กมีความสนใจและพอใจโดยเหตุผลที่ผู้ปกครองสั่งสอนแล้วเด็กก็พยายามกรบพิดตัวไปวันเล็กว น, น้อยได้บ้างเสียบ้างก็ตามในขั้นเริ่มตดแต่ขั้นต่อไปเพราอาศัยการอบรมเสมอเด็กก็มีความเคยชินกับธรรมะที่ดีแล้วเป็นเหตุให้เกิดความสำนึกจจรู้สึกตัวไปในเวลาทำผิด ซึ่งตรงกับผู้ปกครองสั่งสอนไม่แด้ว่าไม่ควรต่อไปเด็กก็ค่อยรู้จึกตัวเข้าเป็นลํานับลำหนับนับแต่จิตเล็กน้อยจนถึงจิตใจโตซึ่งพอดีกับเด็กจะทำผิดได้เด็กอาจจะมีโอกาสทราบไปได้ข้างส่วนอยากส่วนัเอียดของการกระทำหรือการพูดของตอนเอง จนกระทั่งความคิดที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับการกระทานั้นๆอาจจะยังไม่ล้บายออกมาทางกายวาจาคเพราะเด็กทราบความคิดของตอนเสีย ก, ก่อนเนื่องจากได้รับการอบรมของจกัจกจกักผู้ปกครองมาเด็กขอยับยั้งความคิดทั้ไม่ได้มีก็เรียกว่าธรรมะทำให้เด็กรู้สึกตัวทั้งๆเสียก่อนเด็กไม่เคยรู้สึกตัวเพราะไม่ได้รับการอบรมศึกษา เพรนั่นเด็กที่มีธรรมะซึ่งได้รับการอบรมจากผู้ปกครองแม้จะไปสับส น, นกันกับเด็กด้วยกันสริญาของเด็กคนที่ได้รับการอบรมย่อมมีความแตกต่างกับเด็กทั้งหลายมองดูก็เห็นได้ชัดสัญญาอาการคําพูดคําจาความประตุ้นของเด็กตลอดหน้าที่การงานของเด็กผู้มีธรรมะ จยากเป็นสิ้งเป็นอันน่าดูพูดออกมาก็ใครรอะมี่เหิดมีผลทำอะไรลงไปก็เป็นที่น่าดูในการอบรมเป็นความดีได้อย่างนี้ถ้าเราคิดเอาใกล้ๆเช่นอย่างต้นไม้อยู่ในป่าหรือจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามอยกเป็นต้นไม้ที่สวยงามหรือไม่สวยงามเป็นต้นไม้ที่มี เมื้อดีอหรือไม่ดีแต่อาศัยในท่างที่จะนํามาทําประโยชน์แม้จะเป็นไม้ประเภทใดก็สามารถที่จะทําประโยชน์ได้เข้าที่ควนแก่ประเภทของไม้นั้นๆไม่เท่้งประโยชน์ประโยชน์ซึ่งควรจะเกิดจากไม้ต้นนั้นให้เสียไ ป, ปเปล่าเด็กคนเราก็เหมือนกันเด็กทุกคนก็มีนิสัยดีมาแล้วตั้งแต่ตั้งเดิมแต่ขาดการอบรม ก็ทำให้เด็กนั้นเสียไปได้เหมือนกันกับไม้ที่มีเนื้อดีมีไม้เนื้อแต็และเป็นท่อนที่สวยงามด้วยแต่ไม่มีใครนำมาใช้หรือผู้ไม่ถนาดนำมาเป็นปืนเป็นไฟตะเกียเท้าเป็นถังตะเสียแทนที่ประโยชน์จะได้มากจากไม้ต้นนั้นก็เลยไม่ได้มากหรือไม่เท่านั้นก็ปล่อยให้ทิ้งอยู่เี ไม่นำมาทําประโยชน์อะไรเลยนีก็ขาดประโยชน์จากต้นไม้ที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างเป็นพุทธะเด็กที่ได้รับที่มีนิสัยที่ดีจะ่ขาดผู้อบรมสั่งสอนก็ย่อมไปเป็นเส้นเดือกับต้นไม้ที่ไม่เป็นประโยชน์แม้จะเป็นผู้มีนิสัยดีก็ตามราะนิสัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเด็กถูกการพักตูึงไปทางที่ไม่ดีเพราะสิ่งแวดล้อมของเด็ก มีจํานวนมากมายอยู่ในบ้านก็มีสี่งแวดล้อมประเภทหนออกจากบ้านไปก็มีสี่งแวดล้อมก็เภทหนึ่งเขากับข้าศนมาพมครับเด็กเชื่อกันก็ยิ่งจะมีสี่งแวดลอมเป็นเหตุที่จะให้ซึมซาบเข้าถึงจิตถึงใจและฝังเป็นนิสัยของเด็กจนจะถอนตัวไม่ออกก็มีจํานวนไม่น้อยก็สึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะซึมซาบได้อย่างง่ายดายอีกประการหนึ่งเด็กซึ่งกําลังอยู่ในภาวะ สนใจกับความรู้ความเห็นอยู่แล้วย่อมมีความสนใจไม่รู้จักประมาณคือไม่ทราบว่าจริงใดดีจริงใดงใชั่วย่อมมีความต้องการอยากจะทราบเสมอไปและอยากจะทําปตามสิ่งที่ตามใจที่ชอบด้วยเราจะเห็นหน้าจากเด็กที่ไปดูหนังดูละครเขนเขาโดดทูท่องทูทีอย่างไปต้ ด, ดเขาจะเอาสื่อยาที่แสดงในหนังในละคร นั่นมาแสดงอยู่ในที่ต่งางๆในบ้านนอกบ้านหรือในวงของเด็กด้วยกันบางรายก็โดดถูกชี้ลงมาจากบ้านเอาลง ม, มาข้าอักแล้วก็มีเขาบอกเขาโดดถูกชี้โดยเขาไม่ได้คํานึงถึงว่จาจบเป็นหรือจะ ต, ตายะได้รับความทุกข์ความเสียหายอะไรในส่วนร่างกายของเขาเขาคิดเห็แย่เดียวว่าเขาโดดโลรคทูชี้แล้วเราก็จะโดดต้องนั่นต้องการโดด สอีกเหมือนกันครับเขาก็ความอยากเป็นกำลังซึ่งเนื่องมาจากการได้เห็นเช่นไรางานการอบรมสั่งสอนเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญนะอบรมสั่งสอนด้วยเหตุด้วยผลไม่นำโทสักหรือความโสษความสมใจตนเองเข้าไปมีสิที หรือเข้าไปเป็นภูมิอำนาจบังคับเด็กให้เป็นไปได้อย่างใจหวังแต่พยายามสอนแค่ส่งไปโดยเหตุโดยผลครั้งนี้ครั้งนั้ น, น, นเด็กก็จะค่อยเข้าใจไปเองไม่ว่าเราไม่ว่าเด็กถ้าพูดกันเรื่องความโกดความแสบนึกแสดงอาการท่าท่แสดงที่อยาท่าทางไม่น่าดูถ้าเราพูดจะสอนให้เด็กมีความสวยงามให้มีเหตุมีผลเรากลับเป็นผู้ไม่มีเหตุมีผลและไม่มีความสวยงาม ง่ามเบิเเ้งง่ามเดียวไปหมดก็ยิ่งไม่เป็นที่น่าดูของเด็กแล้วจะเป็นก า, ารสอนเด็กให้ดีได้สำหรับเราต้องคิดจังนี้เสมอหลักที่จะทําให้คนดีตัวของเราต้องเจียามายาที่แสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นคติอันดีสําหรับผู้มาอบรมศึกษาเสมอผู้ศึกษาจะได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรหรือมากขึ้นไปเป็นอกำลับ เี่ยการเเรื่องธรรมะมีหลายท่านอย่างนี้เมื่อธรรมะควรจะคนท่านไหนควรจะคนไวัยใหนนำธรรมะท่านผมต้องควรจกคนท่านและวัยนั้นๆไปสแสดงให้เขาฟังสั่งสอน เขาย่อมเลยรับผลกระดุคนที่มีธรรมะย่อมนมนมีความเสื่อมจะเสื่อมทางจิยามายาสก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอาอะไรไปเสื่อมเพราะการสอนมรารยาทก็สอนเพื่อนการกระทำก็ก็ให้กระทำดีการพูดก็พูดดีมีเหตุมีผลทางจิตใจก็สอนให้มีความเมตตาอย่างไาให้มีเหตุมีผลปจําตัทั้งเขาและเราต่างคนต่างสบลมั่งสอน กันอย่างนี้แล้วโลกนี้เป็นที่เย็นที่สุดเพราะธรรมะมือธรรมะไม่ใช่เป็นของทั่วท้าหลัไม่ใช่เป็นของสกปรกโฉมไม่ใช่เป็นของลาสมันไม่ใช่เป็นของมไม่มีคุณค่ณคณคณคาแม้จะไม่ได้ตั้งราคาขายตามตลาดก็ตามแต่ธรรมะนี้เป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่นค้าขายตามตลาดทั่วโลก เมื่อเรานำมาประกอบให้พอเหมาะพอดีกับผู้สนใจต่อธํามาจะกลายเป็นคนดีไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เด็กก็เป็นเด็กดีจะออกจากประภุในใดๆประภูนนั้นๆก็แนะนำสั่งสอนอบรมให้ดีไปตางๆกันเด็กก็จะกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาพั่วไนอยแล้วความรุ่มร้อนกรเสวดขึ้นกับทีาไงน เรื่องความรุ่มร้อนไม่ใช่ธรรมะเป็นเรื่องของทิ่เลือดสันหาเป็นเรื่องความขาเบอปัญญ า, าและหลักธรรมะไม่ใช่สอนคนให้มีความเข่าแต่สอนให้คนฉลาดฉลาดรู้จักที่คุปฏิปักษต่อตัวเองและสิ่งเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักของเหตุของผลแล้วจะดำเนินไปด้วยความมากตคนที่มีธรรมะย่อมมีความเชื่อใจตนเองก็มีความ เชื่อแน่ในตนเองว่าจะไม่ทําสิ่งที่เกิดจะเกิดความเดือด้อนแก่ตนเองแม้คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เห็นอยู่จะปกติความสรหของตนยอดไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างเชื่อกันได้ไว้ใจกันได้ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าเดไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่านักบวชหรือพนักงานขอให้มีธรรมะแคทบถึงกันด้วยกัน ยอมจะเป็นที่ลบเด็สมบัติเงินทองเข้าของจะไม่เป็นที่หนักบกหนักใจต่อกันเด็ดรักษาทิ้งไว้ที่ไหนก็ทิ้งของเรามีความสงวนท่างในของเขาก็มีความสงวนท่นนั้นไม่ร่วงล้ําสมบัติของกงันและกันให้จิตที่อธิปไตยต่อกันอย่างเต็มภูมิของคนมีธรรมะย่อมเป็นที่เยน็นใจเด็ดขาดมีธรรมะ เป็นสิ่งสําคัญที่จะโลกจะสนใจเพื่อความร่มเย็นแก่เนและแต่โลกทั่วท่วไปธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งก่อควรให้คนเนี่ยโลกได้รับความเหยุดร้อนแต่เป็นสิ่งที่ประสานสิ่งที่ร้าวรลานให้กลายเป็นของดีกลับคืนมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสิ่งที่ ควรจะดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเด็กก็น่าดูถ้าแดงรับการอบรมจากหลักธรรมพอสมกันแล้วผู้ใดก็น่าดูผู้หญิงก็น่าดูผู้ชายก็น่าดูจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็น่าดีไม่เลยขอบเขตของความงามสมกับ กับเพศของตนที่เป็นคารวะไม่เลยเถิดเลยแดงถึงจะรักก็ไม่เลยสมาถึงจะทางก็ไม่เลยเถิดเป็นความพอดีเสมอามขั้นแห่งธรรมะที่ตนอบรมศึกษาได้ไม่มีธรรมะข้อใดจะสอนบุคคลให้เป็นโมฆะบุรุษเป็นโมค ะ, ะตริแต่สอนบุคคลให้มีคุณค่าของเร น, น ผู้ปฏิบัติตามธรรมะแล้วจะไม่มีคุณค่าได้อย่างไนต้องเป็นมีคุณค่าประจำตัวโลกมีความร่มเย็นต้องอาศัยธรรมะถ้าหากมีความบกพร่องจุดไหนแสดงว่าควมเบือดร้อนจะเป็นผลตามขึ้นมาในจิดนั้นหาธรรมะได้สมบูรณ์เข้าในสถานที่ใดบุคคลใด สถานที่นั้นบุคคล น, นั้นจะเต็มที่เย็นชุมนุมตนนั้นจะมีความทุ่งเย็นครอบครัวนั้นจะร่วมเย็นสามีภรรยาต่างก็มีธรรมะด้วยกันปกครองกันด้วยธรรมไม่ได้กปกครองกันด้วยอํานาจวาสนาด้วยความเยื่อหยีจองของตึกความอวดอ้างว่าคนขลาดตนรู้ตนเป็นคนมั่งมีตนมีเป็นคนสกุลสูงเขาเป็นคนสกุลตับไม่ได้คิดอย่างนั้น แย่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมมีความจงรักภักดีให้ศีลรับภาพตอบความเป็นสามอภรรยาของกันและกันมีความจงรักภักดีไม่นอกจิดนอกใจใครที่ไหนก็เป็นที่ไว้วางใจกันมากใครเป็นคนถูกวินิจฉัยให้รู้ว่าตนภาคผู้นั้นเป็นคนถูกใครผิดก็มีฐานให้ทราบว่าเป็นคู้ผิ แล้วยอมจำน้นกันด้วยเหตุผลในครอบครัวนั้นจะดูด้วยกันตลอดประวัตศาสร์แห่งชีวิตจะไม่มีการทะเลาะบอกแง่กันเลยนี่เพราะอํานาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องปกครอบวกเรามมีความเหนาบหนี้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งมีความเรื่องเดืองบันเทิงแต่จำไว้ของนขอตนก็ต่ามยอมจะเป็นผู้สวยผู้งามอยู่ด้วยอักด้วยทำ ไม่เลยขอบเพิดทางความเพลิดเพินโลกทั้งหลายมีอยู่ด้วยกันเพราะธรรมะเป็นรั่ว ก, กันไม่เลยเพลิดแจะอยากขนาดไหนเพลินขนาดไหนถ้าได้นําธรรมะเข้าไปสกัดรั้งกั้นลงไปแล้วความอยากก็เคล็ด น, นั่นก็ย่อมหยุดชนะลงได้ทันทีเช่นเดียวกับทำรนบปิดกั้นนะเช่นนั้น จะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ทั้งรูปหลานทั้งไหวเป็นผู้ใหญ่ทั้งธรรมะมีโหดเอ็ดมีเห็ดมีผลพอถูกใครก็รักก็ชอบโดยไม่ต้องนิยมถึงไหวเลยมีความรัก ค, าความชอบความสนิทสนมภายในอต่อบุคคลท่นั้นเป็นพระกอเป็นพระที่มีธรรมประจาองค์ขอ ง, ของขพระเทศของพระโดยสมุป หลักพวินัยก็มีทำเป็นเครื่องปกครองมีความระอายมีใจใจเสมอไม่กล้าทําความชั่วทั้งที่แก่และที่นับเพราะทราบพักอยู่แล้วว่าตนเป็นพักมีขอบศึกอยู่ในขอบศึกของข้าของหน ง, งไม่เลยขอบศึกไปที่ไหนก็ต้องเป็นพักไปจะนั้นงด้วยขอบปฏิบัติเข้าในบ้านก็เป็นพักเข้าไปในบ้านไม่ใช่กลายเป็นค า, ารวะพอมาวัดก็เป็นพัก นั่งอยู่ดืนอยู่เดินอยู่ก็เป็นพระมีความรู้สึกสำนึกตัวอยู่ว่าเป็นพระเสมอและปฏิบัติตนตามขอบเขตของพระไม่ไม่ได้ล่วงเกินมีอดสักร ป, ประจําใจอยู่เช่นนั้นโดยเมื่ทําหนึ่งถึงทีแจ้งตีรับนี่ก็เชว่อเป็นผู้มีความเย็นใจถ้าหมายการถึงจะอดจะอิ่มบ้าง ไม่เป็นสิ่งสำคัญเพราะความย็นใจด้วยอำนาจขอนธรรมะที่ตนรักษานั้นมีสัมปูนอยู่ภายในกนนนนารทำสมาธิภาวนาก็ทำจริงทำจรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งมอบไว้ให้พระเป็ น, นหน้าในการดำเนินนำศาสนาอย่าโยมจะดีขึ้นมาก็ข้อหนักของพระซึ่งเป็นผู้นำเป็นผู้ดี เท็มทศทางเดินของพระก็คือข้อปฏิบัติอันเป็นความจําเป็นของพระจะต้องดําเนินอยู่ตลอดสายและตลอดเวลานะไม่ถือว่าเป็นภาระของใครทั้งนั้นนอกจากพระคือตัวเองเท่านั้นจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเมื่อตนก็เป็นที่ไว้ใจตนได้ด้วยข้อปฏิบัติกาแนะนำสั่งสอนคนอื่นก็ยอมได้รับผลประโยชน์ คือผู้ฟังผู้ศึกษาย่อมได้รับผลประโยชน์ตามนายกคือผู้นำได้แก่เพราะเราเป็นผู้นำที่ดีของเราในเบื้องต้นจากนั้นก็สามารถจะเป็นผู้นำของหมู่ชนได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระฝ่ายเนซึ่งเป็นสมณะ้วยก็ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฆราวาสท่านใดภูมิใดวัยใดเพศใด สามารถจะนำธรรมะเข้าทักทูงท่านเหล่านั้นให้รับความเชื่อความหลนใสได้ด้วยหลักความจริงที่คนดำเนินอยู่เป็นลำดับลดับในเรื่องของพระศ า, าสนาเจริญเจริญขึ้นที่บริษัททั้งสี่คือพุทธุสามเนอุบาตุลาปีกา จะเตือนถ้ามีไทยก็สามารถมาทำให้เสื่อมได้พราะเขาไม่ได้ปฏิบัติพอจะทราบว่าความเจริญหรือความเสื่อมเป็นยังไงผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาก็คือผู้ปฏิบัติผู้ถือพระศาสนานั่นมม เ, นเองจะทําความร่วมรวมเจริญพระศาสนาก็เนื่องจากตนเป็นผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทําความเสียหายได้นั่นเรื่องของพระศาสนาจึงเป็น ธรรมชาตที่จําเป็นสําหรับพวกเราผู้ที่ศาสนาและเป็นผู้มุ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองไทายตนเป็นลําดับอยู่แล้วจะทําความรู้สึกกรรมนั้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ระบัดอยู่ถ้าหากชีวิตหาไม่แล้วจะเป็นโมฆะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับบุคคลที่ตายแล้วทําดีมาได้มากแค่ไหนก็ยึุติ ก, กันแค่นั้น ในทีวนี้นนอกจากจะเกิดชาติใหม่พบใหม่แล้วสร้างขึ้นมาจะเป็นการเพิ่มเติมกันตอนแต่ถ้าเราทำความไม่แน่ใจต่อเราณนะบัดนี้ว่าเราจะเป็นยังไงอันนี้ก็เรื่องสอถึงเรื่องอนาคตว่าเราอาจจะไม่แน่ใจต่อรพบของคนเหมือนกันไม่ทราบจะาทิ่ย์แงเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นพบใดชาติอะไรมีความสุขความเพลิดแค่ไรนเราอาจจะราบ เระฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจึงควรทําความรู้สึกและปฏิบัติต่อตนเองในเลนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เต็มที่แน่ใจเพราะธรรมะทั้งหมดสอนเพื่อให้บุคคลมีความแน่ใจต่อสิ่งที่มีที่เต็มและปรากฏอยู่กับตัวตลอดเวลาธรรมะไม่เคยสอนให้นอกเนือไปจากสิ่งที่มีอยู่ ความเกิดอยากเจ็บตาอยากเข้าใจว่าสิ่งใดมาทำให้เป็นขึ้นเรื่องคําทุกข์ความลำบากก็ อ, อยากเข้าใจว่าจะเป็นมาจากที่ไหน น, นอกจากจะเป็นขึ้นมาจากสาเหตุคือใจด ว, วงที่มีคาโง่คำถนาะหรือทาดูคาทุกขังตนจังตนอยู่เท่านั้นจึงจะแสดงผลขึ้นมาความเกิดก็เป็นผลอัน ความทุกข์ความลำบากก็เป็นผลอะไรแล้วจริงที่กลามาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของใจเป็นตัวตามลำบากธรรมะเป็นเครื่องสอนใจให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและให้รู้เรื่องของตัวเองว่าจะคกกวรแก้ไขเราอย่างไรจึงจะถูกตามหลักธรรมและถูกกับความประสงค์ที่เราต้องการเมื่อถูกตามหลักธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อสมบัติ ไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะไปโลกหน้าตามคติของจิตที่มีการกระก้าวไปอยู่เสมอทุกขณะจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้จิตเป็นมาแล้วก็อาศัยพบอาศัยธาตุเป็นมาเท้านั้นไม่ธาตเป็นมาโดยลําพังตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นที่ึเรามาในธาตนี้พบนี้ก็ต้องอาศัยธาตุขันธ์สิงมาประกอบเป็นรางจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้จละก้าวไปทางหน้าก็จะต้อง มีสิ่งอาศัยมือนกันส่วนที่จะดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับผิดเป็นผู้ต่งสมัยถ้าส่งสมชั่วไว้ผลที่จะปรากฏขึ้นจากความชั่วนั้นก็จะเป็นเรื่องคุกไม่เป็นสิ่งที่ควรปราถนาแต่แม้จะไม่ปราถนาก็ต้องไห็ครับเพราะผลนี้เป็นสมบัติของเราเองการกามาทางนี้เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย ไม่น้อมเข้ามาทําความรู้สึกกับใจความนองและตะควรปฏิบัติต่อใจเนี้ยจะพาใจนี้กำเนินในทางไหนซึ่งจะต้องควรจะเราพูใ่ใจศิลป์กลางกรมธรรมะซึ่งเป็นเหมือนกระที่งสอบผักหรือเป็นเหมือนเข็มทิดทางเลยให้ถือเป็นศิลปะ ย่งความลำบากในการกระทํานั้นตัวได้ถือว่าเป็นธรรมนาของผู้ทํางานงานหนักก็ต้องลําบากงานเบาก็ต้องลดน้อยลงแต่ก็จักว่าเป็นความลําบากซึ่งเดียวกันงานข้างนอกก็เป็นงานเพื่อเรางานข้างในก็เป็นงานเพื่อเราโตัให้แบ่ง เรล่อง่เวลาก็ทำาสร็ทั้งสองก็เสร็จนี้ให้มีความสม่ำเสมอจะเป็นที่สมบูรณ์ทั้งสองฝั่งคือผลเกี่ยวกับเครื่องภายนอกคือการตอกที่ก็จะไม่ขาดเกินผลคือุณงานทำดีอันจะเป็นเครื่องตามข้าน้องเราก็จะไม่ผัดติดเพราะงานทั้งสองนี้ เป็นงานของเราผลกับพิงปลากฏดขึ้นก็ต้องเป็นของเราไ้กันนั่นในอวสารทองการแสดงผ้จึงขออัญเชิญพระธรนั้นตายคือกับพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาซึ่งสองป้องกัน ท, ทั้งหลายขอให้มีความสุขก า, ขการาทางผลนล้สะดวกในการปฏิบัติธรรมมะทันตสอนอ ก, ก็าพรับผิดตาให้จนที่จเจริญตอนนี้ด้านจิตใจและ เป็นความสะดวกในการมดำเนินภายนอกกิจการของที่เป็นไปด้วยความสวัสดีและสม่งเสมอทั้งสองฝ่ายจึงขอดิ่จะมาเคลื่อนย้ายผลทงนี้เอง